มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษาสองนรระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม 2,562 นหอณหอประชุมราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีอำเภอธั ญ, ญบุรีจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 สวัสดีค่ะคุณพบฟังค่ะตอนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเดินภัยค่ะ รายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะเราพบกันในช่วงเวลานี้ทุกๆเช้าของวันพระหั ส, สบดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะดิฉันอาธิตยาปกทานางรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะคะเรื่องราวข่าวสารของเพื่อนเตินภัยในวันนี้ก็มีหลากหลายแง่มุมนะคะที่เราก็จะนามานาเสนอให้คู่ฟังได้รับฟังข้อมูลกันเพื่อที่ว่าก็จะเป็นแนวทางหนึ่ง ในการที่จะได้ทราบสาระณปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่าจะเป็นภัยกับเราได้นั้นมีอะไรกันบ้างนะคะไม่เฉพาะแค่เรื่องของผู้คนเท่านั้นนะคะในเรื่องของการาใช้สินค้าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆดิฉันก็มีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้แน่นอนนะคะอย่างล่าสุดนี้ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นที่สนามบินที่เชียงใหม่นะคะเกี่ยวกับ power bank ระเบิดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะ ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็สาเหตุที่ทำให้พาเวอร์แบงค์ระเบิดนั้นเกิดจากอะไรนะคะแต่ในช่วงแรกของรายการค่ะกับข่าวสารแรกน่าจะเป็นข่าวสารสำหรับผู้ผู้ขับรถโดยสารนะสาธารณาอย่างรถแท็กซี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการพบมีผู้โดยสารค่ะใช้เงินปลอมจ่ายค่ารถค่ะ ภาพพนบัตรปลอมนะคะมูลค่า20บาทค่ะซึ่งปบปนมากับเงินจริงนั้นได้ถูกเปิดเผยนะคะว่ามาจากผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่รายหนึ่งค่ะซึ่งคนขับเองเนี่ยก็บอกว่าจ่ายเงินมาตอนมืดนะครับ ก็คือข้ามแล้วแสงไม่พอก็เลยไม่ได้ตรวจสอบว่าเงินที่ได้รับมานั้นเป็นเงินแบง์ปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์เองก็มีการออกมาเตือนที่จะเจอมิจฉาชีพในครบาบผู้โดยสารได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นภาพจาก Twitter ค่ะ m o t o r เตอร์ซรับจ้างนะคะซึ่งเขามีการเผย ค่าโดยสารรถแท็กซี่นะคะซึ่งถูกจ่ายด้วยแบงกามโมหรือว่าแบงค์ปลอมค่ะปะปนมากับเงินจริงนะคะแล้วก็มีการระบุด้วยบอกว่าเพื่อนขับแท็กซี่เล่าให้ฟังพร้อมส่งรูปมาให้ดูว่าผู้โดยสารจ่ายค่าแท็กซี่ด้วยเงิน20บาทปลอมเพราะกลางคืนมืดๆเลยไม่ได้ดูพอตอนจะนับเงินในที่สว่างเห็นเป็นเงินปลอมช่างทํากันได้หนอคนเรานะคะซึ่งก็เป็นการออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับ าการรับบริษาทนะคะในช่วงค่ำคืนก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะคะว่าเงินที่บริษาทได้จ่ายมาให้คุณนั้นเป็นเงินจริงหรือว่าเป็นแบงก์กาโมหรือเป็นแบงก์ปลอมหรือเปล่าค่ะ ส่วนในเรื่องราวหนึ่งนะคะเกิดขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็จะมาเล่าสู่กันฟังสําหรับใครที่จะไปซื้ออาหารรับประทานในร้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เรียกได้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพ้เหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดค่ะมีหญิงสาวท่านหนึ่งมาโพตเตือนนะคะระมัดระวังการซื้อไข่หอยเม่นมารับประทานก็เคสนี้นะคะเธอบอกว่าเธอเจอของบูดค่ะแพ้หนักถึงขั้นลมพิดขึ้นทั้งตัวสาอย่างท้องเสียอีกด้วยค่ะ เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสมาชิกผู้ใช้เฟ e บุ๊ k ใช้ชื่อว่าอินชีวัฒน์นพทอนนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนภัยหลังได้ไปซื้ออูนินะะหรือว่าไข่หอยแม่นมากินปรากฏว่าเกิดอาการแพ้อย่างหนักค่ะ มีผื่นตามร่างกายเป็นลมพิษแล้วก็ท้องเสียด้วยนะคะโดยเธอมีการระบุ ข, ข้อความใน Facebook แบบนี้นะคะเตือนสำหรับคนชอบอูนิแบบนี้ปกติไม่ค่อยชอบโพสอะไรแบบนี้แต่กลัวคนไปซื้อกินแล้วเป็นแบบเราเรื่องมีอยู่ว่าคือก่อนหน้านี้เคยลองซื้ออูนิจากที่ร้านหนึ่งไปกินแล้วโอเคปกติ เมื่อคืนผ่านก็เลยแวะซื้อมากินอีกซึ่งบนกล่องเขียนว่าผลิตวันที่19บทับและหมดอายุ26่ทับเราเห็นว่าเพิ่งลงก็จัดมาสองกล่องด้วยความเป็นคนชอบกินอุนิมากๆาซึ่งพอกลับถึงบ้านก็เปิดกินเลยจ้าตักคำโตๆใส่ข้าวร้อนๆกินกับสาหรายสรุปพีคเจออุนิเสียเปรี้ยวมากเลยลองแกะกินอีกกล่องก็เปรี้ยวเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นท้องเสียไปรอบกับลมผิดขึ้นทั้งตัวแบบน่ากลัวมากเลยรีบไปหาหมอหมอบอกให้งดอาหารทะเลไปยาวๆก่อนเลยช่วงนี้เข้าใจว่า อาหารแพ้อาการแพ้ขึ้นอยู่กับคนคนอื่นกินลงพิษอาจจะไม่ขึ้นก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเป็นครั้งนี้โชคร้ายแต่ทางเราอยากให้คุณเช็คคุณภาพสินค้ามากกว่านี้ก่อนเอามาขายค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้โพสต์ก็ระบุว่าได้โทรไปแจ้งร้านเอาไวารับเรื่องไว้โดยบอกว่าต้องเอาของมาเปลี่ยนภายใน24ชั่วโมงถึงทําเรื่องคืนได้ซึ่งไม่ว่างไปเปลี่ยนก็เลยจะส่งแมสไปแล้วถามว่าสามารถเก็บเงินปลายทางได้ไหมในใจคือแบบไม่ใช่ความผิดของเราไปซื้อของของ ร้านดันเจอของไม่มีคุณภาพายังจะต้องเสียเวลาเสียสุขภาพอีกซึ่งทางโน้นตอบกลับมาว่าไม่มีนโยบายนี้เราผู้ส่งเนี่ยนะคะผู้ซื้อเนี่ยต้องรับผิดชอบเองโดยไม่มาคืนเองก็ต้องจ่ายค่าแมสเองเงินไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่เสียความรู้สึกมากนี่เลยบอกได้งั้นเดี๋ยวจ่ายค่าแมสเองแล้วก็ส่งบินค่ารักษาไปกับอูนิด้วยเอาเงินขึ้นมาด้วยนะไม่เปลี่ยนกล่องใหม่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินค่ารักษาคืนหรือเปล่านะคะแต่ว่าจุดนั้นก็คือเธอบอกว่าเธอโมโหนั่นเองค่ะซึ่งเธอก็มีการอัปเดตนะคะหลังจากที่ส่งแมสนะคะไปส่งอูนิคืนแล้วเนี่ยทางร้านก็บอกว่าจะคืนแค่ค่าอูนินะคะซึ่ง ค่าอุณิเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดค่ะต้องเสเวลาเข้าไปรับเองที่ร้านไม่สามารถโอนให้ได้ก็แค่นั้นไม่ได้หวังอะไรกับความรับผิดชอบที่มากกว่านี้นะคะทั้งนี้ผู้โพสต์เองก็บอกว่าไม่ได้หวังให้เรื่องใหญ่โตค่ะเพียงแค่ขอเตือนคนที่จะกินอาหารต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็อยากให้ทางร้านดูแลคุณภาพของอาหารด้วยค่ ะ, คะก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะผู้ฟังใครที่จะไปซื้ออาหารรับประทานตามร้านต่างๆนะคะก็ดูเรื่องของความสดความสะอาดกันด้วยนะคะก็นี่เป็นเคสศึกษากรณีหนึ่งนะคะที่ เรานำมาแฉร์ข้อมูลกันค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวนะคะของกรณีที่มีภาวะแบงค์ในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวระเบิดที่ชานชลาสนามบินเชียงใหม่นะคะซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เองก็มีการนำคลิปมาเผยแพร่แล้วก็มีการระบุถึงสาเหตุนะคะของการระเบิดนี้ว่าเกิดจากอะไรติดตามกันในช่วงหน้ากับเพื่อนเต็อนภัยค่ะ คำถามที่เธอต้องการคาตอบสิ่งฉันก็ยังไม่เคตอบไปที่ถาารเราจะไปไดีไกลไหมและฉันย่งมันคงหรือเปล่าก็อยากให้เธอ ที่ฉันได้จำเรื่องราวไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ใจฉันบางเบาวันไหวไปกับคนใดแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนอย่างฉันมีกิ่นลมหายใจ และไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเชนไรที่รดที่ความรักที่ทำได้ที่คุงมันต่อ สใสและปล่อยตืนฉันดิทําหน้าที่ทุกวันต่อไปอันมีใครดินฉันพูดบอกรักสักเท่าไรแต่อยากให้รู้ไวเปิดใจฉันเป็น Let it fly, too. เราเ้ามาสู่เพื่อนตันภายในช่วงนี้ของรายการนะคะคุณพบอังคะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแหละท่านน่าจะได้เห็นกันนะคะเป็นกรณี ของเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสนามบินท่าากัศยานเชียงใหม่นะคะเป็นคลิปวินาทีที่ power bank ในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวระเบิดซึ่งทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กเชียงใหม่ International Airport เองค่ะได้เปิดเผยภาพคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุการณ์ power bank หรือว่าแบตเตอรี่สำรองนะคะซึ่งหน่วยกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดระเบิดแล้วลุก ลุกขึ้นนะลุกไหม้ขึ้นไม่ทราบสาเหตุนะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณชานชลาอาคารผู้โดยสารท่ากาศยานเชียงใหม่ซึ่งถ้าดูจากคลิปก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินสะพายกระเป๋าที่บริเวณหน้าชานชลาที่อาคารผู้โดยสารท่ากัศยานเชียงใหม่นะคะจากนั้นกระเป๋าด้านหลังค่ะก็เกิดการระเบิดขึ้นไฟลุกท่วมเลยค่ะจนนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องโยนกระเป๋าลงพื้นก่อนจะทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากพาวเวอร์แบงค์นะคะยังก็ตามแล้วค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนีีี้้้ไไมมม่ผูดรับบบาเจ็นะคะค เพียงทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะทางนี้นะคะท่ากาศยานเชียงใหม่เองได้นําคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวมาเผยแพร่นะคะเพื่อเป็นการเตือนภัยแล้วก็ได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป็นที่ถามเจ้าหน้าที่ที่จะต้องถามนักท่องเที่ยวตลอดเลยนะคะมีความกดขันคุมเข้มมากถามตลอดว่าเออเรามีการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องหรือเปล่าเนี่ยนะคะโดยสนามบินท่ากาศยานเชียงใหม่เองมีการเปิดเผยข้อกําหนดการพกพาแบตเตอรี่สํารองขึ้นเครื่องบินนะคะ มีดังนี้ค่ะคุฟังคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ Power Bank ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 ื่อ mAh เนี่ยนะคะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณีนะคะส่วน Power Bank ความจุไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง 20,000 ถึงส0 0 0ม mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน2ก้อน ภาวะแบงค์ความจุไฟฟ้าที่ต่ำกว่า 20,000 mAh สามารถนํำขึ้นเครื่องได้ไม่จํากัดจํานวนก็หมายความว่ากรณีที่มีภาวะแบงค์ความจุไฟฟ้าอยู่ที่ 30,000 mAh ก็สามารถพกได้แค่2ก้อนเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะห้ามโหลดภาวะแบงค์ใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดใต้เครื่องในทุกกรณีต้องนําขึ้นเครื่องหิ้วขึ้นเครื่องเท่านั้นค่ะนี่นะคะก็คือหลายสิ่งสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบแล้วก็เกิดความสับสนนะคะว่าระหว่างการโหลด ใต้เครื่องกับนําติดตัวขึ้นเครื่องต้องทํำยังไงที่ถูกคือนะคะห้ามนำเพราะว่าแบงค์เนี่ยโหลดใต้เครื่องเด็ดขาดนะคะซึ่งเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไปตามกฎของสายกันบินทุกสายการบินเลยค่ะในการห้ามโหลดสิ่งที่เป็นแบตเตอรี่หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการติดไฟรหรือว่าระเบิดใต้เครื่องโดยเด็ดขาดดังนั้นนะคะให้พกไว้ในกระเป๋าที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องไปเท่านั้นและจะต้องมีขนาดความจุกไฟฟ้าและก็จํานวนตามข้อที่กําหนดไว้อย่างที่ดิฉันได้บอกเอาไว้นะคะซึ่งในกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางด้านของท่ากาศย เชียงใหม่เองได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุนะคะที่ p าว e r bank นะคะหรือว่าแบตเตอรี่สำรองของผู้โดยสารชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรค่ะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงว่าสาเหตุเนี่ยการลุกไหม้เนี่ยนะคะน่าจะมาจากการที่แบตเตอรี่ลิเธียมในตัวที่ใช้สําหรับอัดประจุพลังไฟฟ้าและคาดว่าน่าจะมีการทําปฏิกิริยากับของเหลวค่ะซึ่งเป็นเครื่องสําอางหรือว่าน้ําดื่มในกระเป๋าของผู้โดยสารท่าน จึงทําให้เกิดการลุกไหมขึ้นนะนะคะซึ่งไม่ทราบขนาดของแบตเตอรี่พกพาดังกล่าวเพราะว่าลุกไหมเสียหายหมดแล้วนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะมีขนาดไม่เกิน20งหมมิลลิแอมนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะทางนั้นของจ่าโทเถื่อนนันอินตารัตเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร, รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุนะคะก็มีการตรวจสอบกระเป๋าของนักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยปรากฏว่ามีขวดน้ําหอมอยู่ด้วยคาดว่าน้ําหอมเนี่ยน่าจะรั่วไหลออกมานะคะ แล้วก็เข้าไปใน power bank ทำปฏิกิริยากับแบตเตอรี่ลิเธียมที่อยู่ด้านในจนเกิดการลุกไหม้แล้วก็ระเบิดขึ้นค่ะด้วยจากการสอบถามทั้งที่คนดังกล่าวนี้ยังบอกด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว้กับอุปกรณ์ต่าง อ, อุปกรณ์ด้วยก็น่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งนี่แหละค่ะคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิด เหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นนะคะดังนั้นก็อยากจะเตือนผู้โดยสารที่จะพกพาแบตเตอรี่สำรองติดตัวขึ้นอากาศยานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระมัดระวังไม่เสียบชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้กับอุปกรณ์รวมทั้งไม่ควรใส่ไว้ในกระเป๋าร่วมกับของเหลวนะคะเพราะอาจเกิดการรั่วไหลของของเหลวแล้วก็มาทำปฏิกิริยากับแบตเตอรี่ลิเธียมเกิดอาการลุกไหมขึ้นได้นั่นเองค่ะ เป็นข้อกำหนดที่อาจจะฟังดูแล้วยุ่งยากแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่างที่ยามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแบตเตอรี่ที่2 0 0 0 0ื2 0ถึงสามนะคะสามารถพกได้เพียงแค่2ก้อนเท่านั้นนะคะส่วนต่ำกว่า 20,000 พกได้ไม่จำกัดส่วนมากกว่า 32,000 mAh นะคะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณีค่ะ อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นข้อมูลจากทางด้านของ SAM นะคะหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัดหรือบอสสค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของบริษัทที่ทําโครงการร่วมกับรัฐบาลนะคะโครงการคลินิกแกนีนั่นเองตอนนี้มีการออกมาเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพนะคะไปแอบอ้างใช้ชื่อโครงการคลินิกแก้นี้หลอกลวงเรียกเก็บเงินเตรียมแจ้งความดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดค่ะทางด้านของคุณนิย ยศมาสาวิสุทธิ์นะคะกรรมการผู้จัด ก, การบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัดหรือบอ ส, สสหรือ S.I.M. ค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการที่มีผู้จงใจนําตราสั ญ, ญลักษณ์หรือโลโก้ของบริษัทรวมทั้งนําชิ้นงานสื่อโฆษณาของโครงการคลินิกแก้หนี้ไปใช้ลอกเรียนแบบนะคะปรับเปลี่ยนแก้ไขารายละเอียดของข้อมูลต่อบไปในลักษณะของการหลอกลวงแอบแฝงผลประโยชน์สื่อสารในโซเชียลมีเดียนะคะอ้างว่าสามารถช่วยจัดการแก้หนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสด สินเชื่อสมบุคคลที่ไม่มีหลักประกันรวมทั้งหนี้ประเภทอื่นๆนะคะเช่นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศหรือว่าหนี้นอกระบบได้ค่ะก็เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปนั้นเกิดความสับสนแล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเงื่อนไขและก็คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการที่แท้จริงนะคะดังนั้นค่ะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะคะบ ร, บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิจิมกัดบสสค่ะหรือ S.A.M ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลแล้วก็ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทย ะะให้ดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ก็มีการออกมาเตือนนะคะลูกค้าแล้วก็ผู้ที่สนใจโปรดสังเกตรายละเอียดและข้อมูลให้ชัดเจนนะคะถ้าหากว่าคุณมีข้อสงสยัยหรือว่าพบว่ามีความผิด ป, ปกติใดๆเกิดขึ้นเรียกรับเงินอะไรแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงค่ะหลากหลายช่องทางเลยค่ะทาง call center นะคะศูนย์สองค่ะหกหนึ่งหรือที่ทาง Facebook คลินิกแก้หนี้เว็บไซต์ world เว็บดอ คลินิกแกนี่คอมพิมเป็นภาษาไทยเลยนะคะ www.clinicganie.com ค่ะทางนี้นะคะก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่าคลินิกแกนี่นั้นยังคงเดินหน้าแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้เสียนะคะให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินใดๆจากการสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่ามีครั้งนะคะถ้าหากมีใครมาแอบอ้างกับคุณว่าเป็นพนักงานของโครงการคลินิกแกนี่และเรียกเก็บเงินบอกไว้เลยนะคะว่าโครงการนี้ ไม่มีการเรียกเก็บเงินนะคะส่วนพฤติกรรมความผิดโครงการเทคนิคแก้หนี้นั้นได้ดําเนินการแจ้งความต่อกฎหมายแล้วค่ะและหากมีพฤติกรรมการลักษณะเดียวกันนี้อีกบริษัทก็มีความจําเป็นต้องแจ้งความในคดีเพื่อป้องกันให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนต่อไปค่ะเป็นข้อมูลในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวภาคฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและในช่วงหน้าค่ะมาฟังเรื่องราวนี้กันนะคะการสมัครนะคะในเรื่องของการเป็นสมาชิกนะะแลกแต้มนะคะ ในการเตือนภัยนักช็อปเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาฟังเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะมีพนักงานรายหนึ่งข่านาข้อมูลลูกค้าที่ลงข้อมูลสมัครสมาชิกนี่ละค่ะไปกู้เงินนอกระบบนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันเพื่อนดันภัยค่ะศูนย์นวัตกรรมความรู้ rmutt innovation and knowledge center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลทัญบุรีเปิดสนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 7ัศูนย์การค้าบางซื้อจังชั่นชุดสุดท้ายนะคะในเพื่อนเตนภัยค่ะคุณผฟังคะในเรื่องราวของเพื่อนเตืนภัยกันวันนี้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการสมัครสมาชิกนะคะเพื่อจะไปแลกแต้มอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องคิดหนักสักนิดหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมีการเตือนภัยใกล้ตัวนักช็อปเลยค่ะสมัครสมาชิกแลกแต้มจากสมาชิกห้างดังในจังหวัดชนบุรีนะคะพนัก ง, งานค่ะแอบเอาหน้าบัตรไปกู้เงินนอกระบบ ะะงงเลยค่ะผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะบอกว่าเจอชายชกันบุกถึงบ้านเลยค่ะคู่ว่าเจ๊เจ้าของเงินเอาผิดข้อหาช่อโกงพบทำแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นอีกหลายรายค่ะ เหตุการณ์ น, นี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook ร, รายหนึ่งได้โพสต์ภาพใบแจ้งความลงบันทึกประจําวันนะคะจากสถานีตํารวจภูธรเมืองชนบุรีเล่าเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดกับตัวเองโดยระบุแบบนี้นะคะว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมมีชายชะกันสองคนมาที่บ้านพร้อมหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อติดตามทวงถามหนี้ที่กู้เงินนอกระบบทั้งที่ตนไม่ได้กู้ยืมเงินใครยืนยันว่าสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนเป็นของตนแต่ลายมือชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่ของตนค่ะชาชาการคนดังกล่าวระบุบอกว่าเจเจ้าของเงินกู้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีในข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งใบปึกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมีของเธอด้วยคนเล่าเนี่ยนะคะทางานที่ปกติแล้ว จัดลงนามในสำเนาประจําตัวประชาชนเพื่อทําธุรกรรม ต, ต่างๆก็จะขีดค่าเขียนกํากับลงวันที่และ ว, วัตถุประสงค์ในการใช้ทุกครั้งเนื่องไม่ออกว่าไปทําหล่นหายหรือว่าพลาดตรงไหนกระทั่งตํารวจกองปราบป ร, ป ร, ปรชามทราบแล้วว่าใครนํามาสําเนาประจําตัวประชาชนไปใช้จึงขอนัดเจรจาค่ะ ต่อมานะคะก็ได้เดินทางไปยังสถานีตํารวจภูธรเมืองชนบุรีพบผู้ต้องหานะคะเป็นหญิงรายหนึ่งที่นําสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปกู้เงินนอกระบบเมื่อถามว่าเอาบัตรประจําตัวประชาชนมาจากที่ไหนผู้ต้องหาให้การว่าตนทํางานอยู่ที่ห้างจําหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งสาขาชนบรุรีถนนสุขุมวิทใกล้สามแยกอ่างศิลาตะมนมต์เสม็จอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะสารภาพว่าขนาดที่ลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่หรือแลกคะแนนจากบัตรสมาชิกเนี่ยก็ใช้กล้องมือถือคะ่ะ แอบถ่ายหน้าบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพิ่มอีกใบนำไปใช้กู้เงินนอกระบบนะคะเจ้าของโพสตบอกว่าที่โพสต์เรื่องนี้เนี่ยต้องการเตือนภัยค่ะระมัดระวังในการใช้บัตรประจําตัวประชาชนให้มากขึ้นไม่ได้มีเจตนาให้ใครได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ตนต้องเพิ่มความรอบคอบในการใช้บัตรประชาชนแสดงตนให้มากกว่าเดิมจะให้บัตรประชาชนตัวจริงกับใครไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าจะนําบัตรประชาชนไปทําอะไรนอกเหนือจากนั้นบ้างค่ะ ใครที่จะนำบัตรประชามตัวประชาชนไปติดต่อทุกรรมอะไรต่างๆระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะสังเกตด้วยว่าพนักงานนั้นมีการนำไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคะอย่าคล้าสายตาเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ ทิ้งท้ายในช่วงวันนี้นะคะกับเพื่อนเตืนภัยค่ะไปที่เรื่องราวของเพจบิ๊กเกลียนนะคะซึ่งเขามีการปเปิดเผยเรื่องราวของชายหนุ่มท่านหนึ่งถูกหญิงสาวหลอกเอาเงินไปกว่า 2.3 ล้านบาทนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้เนี่ยมีการทําโปรไฟล์หน้าตาดีเลยค่ะมาตีสนิทหยิบยืมเงินกันนะนะคะล่าสุดค่ะชาวบ้านก็มีการให้ข้อมูลเพจบิ๊กเกลียนอ้างสาวใบปอรูปไม่ตรงปกและก็มีหลายชื่อด้วยนะคะก่อวุ่นกรรมค่ะกงแชร์หลายวงแถมหลอกยืมเงินแม่ค้าเอาไว้ ขณะที่เจ้าของปกตัวจริงทราบเรื่องยืนยันถูกดึงรูปไปใช้ค่ะกรณีเพจบิ๊กเกียนค่ะได้เผยเรื่องราวของนายนนสงวนนามสกุลชายหนุ่มวัยย่ปีนะคะซึ่งถูกหญิงสาวหลอกเอาเงินไปกว่า 2.3 ล้านบาทย่อยหญิงสาวรายนี้นะคะใช้ภาพของ หญิงสาวน่าตาดีอีการายหนึ่งเนี่ยทำเป็นโปรไฟล์ในไลน์ค่ะใช้ชื่อใบปอเข้ามาตีสนิทนะคะพูดคุยเรากับเป็นแฟนกันตั้งแต่ต้นปี2560กระทั่งมีการหยิบยืมเงินนะคะโดยอ้างเหตุผลหลายเรื่องตั้งแต่ย่าเสียไปจนถึงกู้เงินนอกระบบซึ่งไม่มีการชดใช้คืนสักบาทเลยค่ะสุดท้ายนั้นมาเจอหน้าการกลับใบเบี่ยงไม่มาทําให้ฝ่ายชายเชื่อว่าถูกหลอกแน่นอนค่ะก็เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอพระประชัยเคสอภายหลังสืบทราบนะคะว่าหญิงสาวรูปร่างท้วมรายหนึ่งเนี่ย เป็นหญิงสาวรูปร่างโทมรายหนึ่งนะคะจึงนำหลักฐานไปฟ้องใน ข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นค่ะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตามที่มีปรากฏเป็นข่าวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเพจบิ๊กเกลียนได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับใบปอค่ะหญิงสาวที่หลอกเอาเงินในนุนว่าได้รับทราบข้อมูลจากผู้เสียหายหลายรายเลยนะคะซึ่งอ้างว่าหญิงสาวรายนี้เนี่ยใช้ชื่ออีกหลายชื่อเช่นพลอยเกยหรือใบปอไปเล่นแชร์แล้วก็เบียวไม่จ่ายหลายวงนะคะเป็นเงิน เ, นเกือบล้านบาทค่ะใบปอเนี่ยยังกอ่อกรรทำนะคะหลอกยืมเงินแม่ค้าอ้างว่ารอคุณแม่โ อ, อนมาให้จากต่างประเทศ เป็นคนติดเกมออนไลน์หลอกใช้บัญชีของหนุ่มอีกรายทำให้ติดแหร่วมขบวนการช่อกงด้วยค่ะทางนี้นะคะทางเพจก็ยังระ บ, บุด้วยว่าพบตัวน้องคนสวยแล้วเธอปฏิเสธถูกดึงภาพไปใช้ในเฟ e บุ๊กและจะมีการนำเสนอข้อได้จริงต่อไปใครสนใจข้อมูลนี้นะคะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจบิ๊กเกลียนค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่ดิฉันได้นํามาพูดคุยแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลแบ่งปันกันนะคะกับคุณผู้ฟังในวันนี้ในรายการเพื่อนเตนภัยนะคะซึ่งหูฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกๆเช้าของวันพระรัศมีแบบนี้นะคะหรือสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติมได้อยากให้เรานําเสนอเรื่องราวอะไรบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุราชมงคลธัญ บ, บุรีนะคะส่วนในวันนี้ค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานจะต้องขอลากลับไปก่อน